หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพานข้อก่อหลักทั่วไปในชาณสูตรอังคุตรรนิกายนวาการนิบาตมีบุตรพ์ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานก็ได้อาศัยทุติยฌานก็ได้ตัติยฌานก็ได้ จตุถชานก็ได้อากาสานัญจายตนะก็ได้วิญญาณัญจายตนะก็ได้อากินจัญญายตนะก็ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะก็ได้หรือสัญญาเวทยิตะนิโรธก็ได้ความต่อจากนี้ในพระสูตรนี้และความในพระสูตรอื่นอีกสามแห่งคือมหามาลุงกโยวาทสูตรอัตกะนาคราสูตรและทัศมสูตร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 ข้อความจะต่างกันเพียงว่าในอรูปฌานคือตั้งแต่อากาสารัญจายัตนะขึ้นไปตัดคำว่าสิ่งที่เป็นรูปออกเช่นในรูปฌานพระองค์ตรัสว่าภิกษุในธรรมวินนยนี้บรรลุปถมฌานเธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นเวทนาเป็นต้นในอรูปฌานพระองค์จะตรัสว่าภิกษุในธรรมวิเนยนี้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 แล้วก็หยุดหลงทั้งหมดมีพิเศษแต่ในฌานสูตรซึ่งมีคำสรุปว่าภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้แลสัญญาสมาบัติมีแค่ใดอัญญาปฏิเวทก็มีแค่นั้นขยายความว่าสมาบัติที่ประกอบด้วยสัญญามีแค่ใดการตรัสรู้หรือการบรรลุอรหัตผลก็มีแค่นั้นข้อนี้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 พึงเทียบกับคำบรรยายการพิจารณาสังขารในอากินจัญญาเจตนะซึ่งไม่กล่าวถึงการออกจากฌานนั้นหรือแม้ฌานอื่นๆที่ตามลงไปทั้งหมดก็อย่างเดียวกันดังความในสูตรเดียวกันนี้เองว่าข้ออื่นต่อพิอีกสารีบุตรก้าวล่วงวิญญาณั ญ, ญาจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วมณสิการว่าไม่มีอะไรเลยเข้าอากินจัญญายตนะอยู่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 ทมทั้งหลายดังได้ทราบมาก็เป็นอย่างนี้เองไม่มีแล้วก็มีแกเรามีแล้วก็ดับร่วงไปส่วนข้อสุดท้ายคือสัญญาเวทิตานิโรธหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิโรธสมาบัติมีคำอธิบายทํานองเดียวกันกับเนวะสัญญานาะสัญญาญาตนะคือเข้าสมาบัตินี้ครันออกแล้วจึงพิจารณารูปธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในสมาบัต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 และจะบรรุอรหัตโดยใช้ฌานระดับไหนก็ได้แต่สมาบัตสูงสุดสองอย่างคือเนวสัญญานาสัญญาญาตนะและสัญญาเวทิตานิโรธต้องออกมาก่อนจึงจะเริมวิปัสสนาได้